โอ้ผู้ศาสนาเนะี่ยทำลายง่ายงาย่ของเรานะีปิดหูปิดตาเลิอกอ่านเลิกฟังก็เสื่อมสนิทแล้วจากใจเราเนี่ยแต่ว่าพระอริยะท่านจะไม่เสื่อมจากพระศาสนาเลยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักเสื่อมพระธรรมก็ไม่เสื่อมพระสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่เสื่อมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะไม่เสื่อมแต่ปุถุชนทั้งหลายยังเสื่อมทีนี้ก่อนที่จะเสื่อม ก่อนที่จะเสื่อมอย่างนั้นต้องไม่เสื่อมซะก่อนอันนี้แหละที่จะต้องภาคเพียรทําขึ้นพระพุทธศาสนาสรรเสริญวิริยะมากเนี่ยนะความเพียร น, นะพระองค์บอกไว้ว่าโพธิยามที่พระองค์ได้มาเนี่ยได้มาด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามด้วยความบากบั่นเนี่ยนะแม้แต่พุทธศาสนาแม้แต่เริ่มให้ทานนะเริ่มเพียรตั้งแต่ให้ทานนะนะให้ทานเนี่ยนะถ้าไม่เพียรจริงๆให้ไม่ได้เนี่ยนะ ให้ฐานนะถ้าไม่ภาคเพียรจริงๆให้ไม่ได้แม้กระทั่งแม้กระทั่งทานธรรมดาเนี่ยนะตื่นเช้าเอาข้าวใส่บาตรเนี่ยนะถ้าไม่เพียร น, นะทําได้ไม่ยาวศีลก็เหมือนกันนะรักษาศีลเนี่ยทั้งจารีตศีลทั้งวาเรตศีลถ้าไม่เพียรจริงๆศีลก็ทําไม่ได้สมาธิด้วยยิ่งไปใหญ่เลยอากุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่เพียร น, นี้กําจัดอกุศลวิตกไม่ได้ สมถะวิปัสนาเนี่ยนะโดยเฉพาะวิปัสนานี่ต้องต้องเพียรมากเนี่ยนะต้องเพียรที่จะพิจรารณาเพียรที่จะเพ่งท่านชาโนอาตาปีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ท่านยกย่องมากแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ใช่ไหมทำทั้งหลายพร้อมทั้งเหตุเนี่ยปรากฏแก่พรามผู้เพ่งและเพ่งด้วยด้วยอะไร ลักขณูปนิสชานอารามณูปณิสชานและเพียรเพราะนนั้พระองค์เนี่ยเพ่งเพียร น, นะในการแทงตลอดวันนี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรดนี้มักมีอยู่สูตรหนึ่งนะยังชอบอีกสูตรหนึ่งบอกว่าพระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าไฟไหม้บนศรีรษะเนี่ยนะไฟไหม้บนศรีรษะทําไงบุคคลที่ถูกไฟไหม้บนศรีรษะนะเขาบอกโอ้จะต้องตั้งสติตั้งสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะรีบ ดับไฟบนศีสัะพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องนั้นช้าอย่างได้อ่นะช้าเอาไวเ้เถอะท้าแล้วเพราะนั้นให้เพียรเพื่อจะรู้อริยสัตว์เนี่ยให้เพียรยิ่งกว่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นยังเรียกว่ารอไว้ก่อนอยังได้อ่นะเรื่องนี้ใหญ่ที่สุดงหมือนนัน้นเราเคยคิดไหมว่าชีวิตเรานีจะต้องรู้อริยสัตว์ให้ได้เรื่องนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับชีวิตของเราเนี่ย นันแม้กระทั่งโบราณเลยนะกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยที่เขาสละบัลลังก์ออกบวชเนี่ยเพื่ออะไรเพราะเขาจะสละบัลลังก์เพื่อจะไปรู้อริยสัจเนี่ยนะแม้กระทั่งในหลายกิจกรรมเลยนะเศรษฐีบุตรทั้งหลายที่ออกบวชเนี่ยเขาถือว่าถ้าเขาอยู่เพศคารวาะเนี่ยเขารู้อริยสัจได้ยากอันนี้พูดโบราณนะถ้าสมัยนี้ถ้าบวชเข้ามาอาจจะห่างอาริยสัจขึ้นก็ได้ถามทําไมอย่างนั้นบอกบวชแล้วรู้เอง อันนี้ปัด จ, จัดตังไม่ก็ถามคนเคยบวชก็ได้อนนยิ่งบวชแล้วอาจจะห่างอริยสัจขึ้นห่างขึ้นทางขึ้นนนถ้าไม่ภาคเพียนนะเพราะฉะนั้นความภาคเพียนนี้ถือว่าเป็นความปฏิบัติชอบในพระศาสนาแต่ความเพียนทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลายการศึกษาการเรียนรู้การกระทําทูกอย่างเนี่ยนะยุติหาระเนี่ยเป็นเครื่องตรวจสอบไว้เป็นอย่างดีเลยนะว่าจะต้องเป็นไปในกรอบนี้นะคือ ลงในสูตรคืออริยสัจมุ่งกําจัดราคะโทสะโมหะมีอยู่ที่หนึ่งเขบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติชอบคือผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะโทสะและโมหะนั่นเองแล้วก็ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนี้อันนี้จําเป็นมากเลยนะี่ยสองคำที่เราคําพูดคําว่าเกิดดับเกิดดับคํานี้ต่างอะไรจากปฏิจจสมุปบาท ต, ต่างกันไหม ไม่ต่างเอ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยอย่างเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่างยังไงจากอริยสัจเออขออภยัยต่างอะไรจากปฏิจจสมบทถ้าชื่อเต็ ม, เตมๆเรียกว่าสมุทยังคะเนี่ยนะเรียกว่าเหตุเกิดคําว่าเกิดอย่างเดียวเนี่ยอมอริยอมปฏิจจสมุปบาทอนุโลมทั้งหมดเลยตั้งอภิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอยู่รวมอยู่คําเดียวคือคําว่าเกิด หมายถึงความเกิดแห่งวัตถุทุกเนี่ยเป็นไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าความดับหมายถึงวัตถทุกเนี่ยดับเพราะดับอย่างนี้สมัยที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะก่อนจะบวชเนี่ยนะก่อนที่จะไปดูหน้าลูกไปอาบน้าแต่งตัวอยู่ที่ที่สะโบกครรีเนี่ยนะแล้วกลับมาเข้าวังนางกีสาโคตมีศักยญเนี่ยก็กล่าวว่า พ่อแม่ใดมีลูกอย่างนี้เนยพ่อแม่นั้นดับได้แน่นะนารีใดมีสามีเช่นนี้นารีนั้นดับได้แน่พระโพธิสัตว์ท่านมาคิดดูว่าเออคำว่าดับบทนี้ดีทีนี้ถ้าดับได้อะไรดับเพราะอะไรดับอะไรจึงดับก็บอกว่าราคาโทสะโมหะซี่เป็นเหตุแห่งวัตตะถ้าราคาดับโทสะดับทุกต้องดับท่านคิดได้ตอนนั้นเลยนะ พอคิดได้ยังไงปั๊บเลยถอดสร้อยคอราคาแสนหนึ่งให้อะ น, นะคนที่ได้รับนึกว่าชอบเขาไปซะอีกอ น, นะจริงไม่ใช่หรอกเขาบอกบูชาอาจารย์ที่ทำให้ฟังเข้าใจทันทีเลยว่าไอ้คำว่าดับถ้าดับราคะโทสะโมหะได้ทุกทั้งมวลดับแน่เ น, นะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับประกาศอะไรติดจระสมุบาซสายติโลมแม้กระทั่งตอนที่ท่านคิดก่อนบวชนะกับตอนตรัสรู้ก็ความคิดอย่างแนวเดิม ตอนตรัสรู้อีกก็ยังเอาปฏิจจสมุปบาทมามาคิดอีกเฉะนั้นความรู้ในอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาท ต, ต่างกันหรือไม่ไม่ต่างนะก็อย่างที่ทวนนะว่าชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธค า, ามินีปฏิปทา ก, ก็คืออริยสัจใช่ไหมก็คืออริยสัจชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธาค า, ามินีปฏิปทาก็คือ อริยสัจถ้ารู้อย่างนี้ดียังไงถ้ารู้ว่านี้ชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธถ้าคาไมนีปฏิปทาถ้ารู้อย่างนี้ดีอย่างไรดีก็คือว่ากําจัดราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะสำนวนว่าสางเมาได้แน่เนี่ยนะสางเมาได้แน่เพิกถอนอาลัยได้แน่นนเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่สงบระงับดับสังขารทั้งมวลเป็น อสังฆตาธรรมดังั้นการตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละเป็นอุบายที่จะแทงตลอดอริยสัจจะทำดังนั้นการการศึกษาพระธรรมนะถ้าใครอยากจะรู้ย่อๆว่าพระไตรปิฎกสอนอะไรบอกสอนอริยสัจ น, นะถ้าอ่านนะทุกสูตรคือการประกาศอริยสัจหมดถ้าอย่างงี้นะพระไตรปิฎกนะจะไม่มากเลยตอนแรกๆเราบอกโอ้โหทำไมพระไตรปิฎกเยอะเหลือเกินอะไรขนาดนั้นใครจะไปอ่านวานอ่านไว แต่ถ้าเราตั้งอัธยาศัยไว้ว่าทุกเล่มทุกสูตรและทุกบทประกาศอริยสัจอ่านให้เป็นอริยสัจฟังให้เป็นอริยสัจถ้าฟังได้อ่านได้อย่างนี้ปั๊บนะดูจะไม่มากเลยเพราะว่าถึงจะมากก็แสดงอยู่เรื่องเดียวพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์เนี่ยมีความรู้เยอะเนี่ยนะในบรรดาความรู้ทั้งหลายเหมือนกับ ใบไม้ในป่าที่มากมายเหลือเกินแต่ความรู้ที่จะทำให้พ้นทุกข์มีอยู่เท่านี้แหละคือการรู้อริยศัสตร์นั่นเองเนี่ยะตัวนี้ครั้งหนึ่งทุกข์ศัสต ร, ร, รงง์รู้ว่ายังไงรูออ้ว่ายังไงรู้ว่าอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตาแล้วชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยเรายอมรับอย่างนั้นไหมสมมติถ้าของมันจะเสียนะมันน่าจะอยู่ได้นานกว่า น, นี้นะอันนี้ความเห็นเราฝืนอริยศาสตร มันเสียแล้วนะพอมันเสียปั๊บเนี่ยเราบอกมันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะยืนกว่านี้นะมันน่าจะสบายกว่านี้มันน่าจะเบาวกว่านี้มันน่าจะควบคุมได้ใช่ไหมอันนี้เป็นความเห็นอะไรเป็นความเห็นที่แย้งอริสัตย์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉั้นถ้าว่าโดยรวมๆเลยนะอย่างสมมุติเราเราคิดจะไปที่ไหนนะที่นั่นคงสบายอันนี้คือสิ่งที่เราคิดเลยนะ โดยทั่วๆไปนะถ้าเราเราหวังจะไปนะอาหารร้านนั้นน่าจะอร่อยนั่งตรงนั้นต้องสบายความคิดอันนี้เนี่ยสอดคล้องต่ออริยสัจหรือขัดแย้งต่ออริยสัจเป็นความคิดที่ขัดแย้งต่ออริยสัจเพราะจริงๆความจริงทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นใช่หมแต่แต่ของเราเนี่ยมีความเห็นอะไรที่มันขัดแย้งต่ออริยสัจเยอะมากอย่างที่ว่านะอาหารร้านนั้นอร่อย ถ้าไปอยู่ตรงนั้นสบายถ้ากลับถึงบ้านสบายเช่นฝนตกเลยนะฝนตกพรำพๆเนี่ยทุกคนอยากกลับบ้านเหมือนกันหมด น, นะรีบที่จะกลับบ้านนันะเพราะคิดว่าอะไรไปถึงบ้านแล้วจะสบายจริงๆแล้วสบายไหม น, นะพอตื่นเช้ามาจะต้องรีบไปทันที่ทำงานนะจะได้สบายวิ่งหาความสบายตลอดเนี่ยนะแต่ว่าไม่มีใครหาเจอสักคนเลยนะเพราะว่าเขาไปหาแต่ สังคตะธรรมไปสแสวงหาแต่สังคตะธรรมที่มันไม่ได้สบายจริงๆง น, นแล้วก็ว่าง่ายๆนะปุถุชนคิดอะไรไม่พ้นขันห้านะขันห้าคือตัวทุกข์อยู่แล้วใช่มขันห้าคือทุกขสัตว์เพราะคิดไปหาอะไรก็คิดไปหาทุกขสัตย์แล้วไปเพื่อเสวยความสุขในทุกขสัตว์เนี่ยนะไปเพื่อบริโภคความสุขจากทุกขสัตว์เพราะคิดว่าทุกขสัตว์นี้มันดี มันเป็นความเห็นโดยรวมๆเลยนะถ้าเราเอามีวิชาดีๆหน่อยนะศึกษาพระธรรมดีๆแล้วมาตรวจสอบสิ่งที่เราคิดนะตรวจสอบป้าเรลาเรามีความเห็นที่ขัดแย้งต่อพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะคิดคนละเรื่องกับพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปาทานขันห้าคือตัวทุกเนี่ยนะทุกเพราะไม่เที่ยงบ้างทุกเพราะเป็นทุกบ้างทุกกระทุกเอ่อทุกเพราะทุกกระทุกสังขารทุกข์วิปริณามทุกเราบอกมันต้องมีดีบ้างนะนีมีดีจนได้นั่นแหละ เราก็คิดคนละอย่างหมดถ้าคิดคนละอย่างผลของการคิดแบบนี้นี่แหละคือคือต้นเหตุแห่งวัตถทุกข์เราเราจะไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าความเพลิดเพลินความสบายของเรานะในอุปาทานขันห้าคือเหตุแห่งวัตถทุกข์เราไม่เคยคิดเลยนะเออเนี่ยนะถ้าการคิดไปเพื่อหาอาหารอร่อยอรเสื้อผ้าใช้คิดไปแบบสบายสบายด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน นั่นแหละคือการคิดหาทุกอันอันใหม่ที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีกรรมมกตาปัญญาเพียงพอเราไม่มีวิปัสนาปัญญาเพียงพอไม่มีมัคคปัญญาผลปัญญาเพียงพอจึงจึงคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับกับอริยสัจ ท, ทั้งหมดคิดตรงกันข้ามกับไตรสิกขาถ้าเราจะไปบริโภคความสบายเป็นศีลสมาธิปัญญาข้อไหน ไม่เป็นอ๋อมักกะสัดก็ขัดอีกแล้วใช่ไหมทุกขสั์ก็ขัดบอกว่าเออเนี่ยที่ไหนมันสบายจริงอย่างที่เราคิดบ้างไหมไม่มีจริงก็คนที่มีประสบะการณ์ชีวิตระยะยาวๆเนี่ยนะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งหาความสบายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะทำงานทุกอย่างที่ทําเนี่ยนะต้องการหาความสบายแต่ก็ไม่ได้อย่างใใจคิดเลยนะลูกโตแล้วจะสบายใช่หรือเปล่าเพื่อนนะต้องถามคนมีลูกกันแล้วกัน ลูกโตแล้วจะสบายถ้าลูกเรียนจบแล้วจะสบายน่นน่ะคิดไปเรื่อยอลูกแต่งงานเสร็จจะได้สบายเดี๋ยวหลานมันโตแล้วก็สบายนะ <laughs> ตอนนี้ต้องรีบทำงานเอาไว้มากๆอายุมากๆแล้วจะสบายทำบุญไว้เยอะชาติน่าจะได้สบายหวังเอาขันห้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, อ, ยอันนี้ก็ขัดแย้งกับทุกขสัตย แล้วไม่รู้ตัววันนั่นคือการเจริญสมุทรยศาสตร์เป็นการใส่ฟืนให้วัตะตลอดเวลาใส่ปุ๋ยให้วัตตะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้นึกเลยนะโอ้ที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้เป็นความสบายเราไม่เคยคิดเลยนะเราไม่เคยคิดเออเนี่ยนะถ้าทิ้งภาระอันนี้นะทิ้งภาระอันนี้ด้วยแล้วไม่ถือเอาภาระอันใหม่ด้วยจะสบายขนาดไหนของเรานะโดยมากเราจะคิดถ้าทิ้งภาระอันนี้นะ ไปถึงตรงนั้นแล้วเราจะสบายานะเออเนี่ยเราเป็นไข่ยอยู่ที่นี่นะไปถึงโรงพยาบาลนะ่จะสบายพอไปอยู่โรงพยาบาลนั้นนับวันออกจากโรงพยาบาลกลับไปถึงบ้านจะสบาย <c oughs> ก็รอเกิดใหมอ่อีกว่าถ้าเกิดชาติน่าจะได้สบายก็คิดอยู่นั่นไวนเอาแต่ขันห้าตลอดเวลาแต่ไม่เคยคิดไอ้สิ่งที่มันตรงกันข้ามกับขันห้านะเอเอถ้าไม่มีขันห้าน่าจะสบาย นะ <c oughs> ความคิดอย่างนี้ยังไม่ค่อยจะมีเลยนะแต่จริงๆถ้าเป็นทารยาทบอกว่าถ้าไม่มีขันท่าต้องสบายต้องดีสิถ้าไม่มีขันท่าอันนัแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าของเราเนี่ยไม่คู่ควรต่อการทุกข์ด้วยเหตุผลเหล่าเนี้ยเพราะเหตุผลเหล่านี้เราคิดว่าเออนั่นมันสบายนั่นมันเป็นความสุขมันตรงกันข้ามมันท่านนี้นะพระองค์ก็เริ่มมาดัดอย่งนั้นนะลองรักษาศีลด้วยนะ องค์ก็จะเริ่มแนะนำนะนะอย่างน้อยที่สุดถ้ายังชอบสบายแบบนั้นก่ออย่าไปอาบายก่อนแล้วกันรักษาศีลเอาไว้ก่อนนะนะเอ่อถ้ารักษาศีลเนียผลแห่งศีลเนี่ยถามว่าผลแห่งศีลเนี่ยดีไหมดีของเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ผลของอะไรผลของศีลผลของศีลนนทานอย่างเดียวเนี่ยให้เกิดในสุขติไม่ได้ลำพังตัวทานอย่างเดียวนยอะอายกตัวอย่างนะเกิดมาให้ทานแต่ฆ่าสัตว์ะ คิดดูชีวิตจะเป็นยังไงอายุยืนหรืออายุสั้นอายุสั้นเกิดมาให้ทานแต่รักทรัพย์มีทรัพย์ก็ก็มีทรัพย์ก็เสียทรัพย์อะนะถ้าให้ทานแต่ประพฤติผิดผิดศีลผิดอื่นๆทั้งหมดเลยนะโดยเฉพาะศีลข้อแรกนี่ก็แย่แล้วใช่ไหมให้ทานมากแต่ว่าฆ่าสัตว์เยอะเออเกิดเป็นมีสิทธิ์เกิดเป็นบุตรมหาเศรษฐี สามชั่วโมงไม่น่าสนใจนะสักสองปีอย่างเงี้ยนะอายุสองปีตาย้อย่างเงยก็ไม่น่าไม่น่าพิศวาสให้ทานดีศีลดีอะไรให้ทานมากศีนข้อห้าไม่ดีเลยเกิดมาในตระกูลสูงตระกูลอะไรเป็นต้นเนี่ยนะปัญญาอ่อนเฉยเลยน่าสนใจัหยไม่น่าสนใจะนะเพราะฉะนั้นศีนเนี่ยนะถ้าจึงมีคุณค่ามากอย่างยิ่งถ้าศีนเราไม่ดีตั้งแต่แรกนะสุขติยังจะรักษาไม่ได้ จะกล่าวไปยายถึงมรรคผลนิพพานแล้วเนีะจะกล่าวไปยายถึงการออกจากวัตทุกข์เพราะฉะนั้นคุณธรรมตั้งแต่ศีลเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมที่กําจัดราคะกํากจัดโทสะและกําจัดโมหะคุณธรรมเหล่านี้จึงสามารถทําที่สุดแห่งแห่งวัตทุกข์ได้แต่พื้นฐานเลยนะโดยอัธยาศัยเราต้องคิดแบบวัชิราวัชิราภิกษุณีใช่ไหม บอความจริงอะทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นคําว่าทุกขนี่เป็นชื่อของของขันห้าใช่ไหมความจริงเนี่ยมีแต่ทุกเท่านั้นแหละเกิดขึ้นชีวิตที่ดํารงอยู่ตลอดยาวนานนี้ก็คือความทุกขแหละที่ดํารงอยู่แล้วก็ถ้าตายก็ทุกนั่นแหละตายแต่ถ้าตัดฉันราคะในกองทุกทำที่สุดแห่งทุกข์อะไรดับก็ทุกอีกนั่นแหละดับแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสําคัญว่าทุกเหล่านี้เป็น เป็นเราเป็นของเราเมื่อสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเราจรึงสำคัญว่าเราน่าจะได้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้บ้างแต่ว่าน้อยเต็มทีนะน้อยเต็มทีจึงประเด็นการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะโดยเฉพาะเนตติปกระกเนี่ยเป็นคำภีที่ชี้ลงอริยสัจอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นคำภีที่ชี้ลงอริยสัจแต่ถ้าเป็นที่อื่นๆเนี่ยเราต้องอ่านให้เป็น อริยสัตว์เอาแต่ถ้าเป็นเนติปกรท่านจะวนไปวนมาวนยังไงก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขคืออริยสัตวถามว่าคัมภีร์เนติปกรณ์คือคัำพีอะไรบอกคัมภีร์ที่ศึกษาแล้วเอาไว้ฟังพระพุทธเจ้าพูดรู้เรื่องคือ <c oughs> ของเรามันขนาดนั้นนะนะฟังพ ร, พ, พระพุทธเจ้าพูดอะไรอ่นะเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคำพีนี่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้อ่านะ มันเหมือนกับเคยเคยไปต่างประเทศที่เราฟังภาษาเขาไม่ออกใช่ไหมเราประกาศมาอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่าเขากําลังประกาศมาอย่างนี้อย่างนี้นะนี่ก็เหมือนกันนะะเราฟังทแล้วก็บอกเออเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้กับมากจัจจยนะท่านบอกว่าที่พระพุทธเจ้าเทศทั้งหมดนะท่านเทศว่าอย่างนี้นะโดยสรุปใจความเป็นอย่างนี้ น, นะเช่นอาสาทาอาทีนะวานิสระณ ะ, ะผลอนัตและอุบายทีนี้คําพูดเหล่านั้นก็มีคําถามคําตอบเพื่อวินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นให้ เข้าใจถูกต้องชัดเจนความเข้าใจถูกต้องชัดเจนเนี่ยนะต้องลงข้อยุติคือลงในสูตรใส่ในวินยัยแล้วก็ธรรมดาเนี่ยนะสามอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามอันนี้นะที่เหลือท่านก็ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะยกตัวอย่างมาให้ดูว่าคำที่แสดงเนี่ยนะตั้งตั้งแต่หน้าสามสิบเอ็ดเป็นต้นมาเนี่ยเป็นเป็นคำที่ท่านยกตัวอย่าง ในเรื่องยุติเนี่ยนะทีนี้ข้อยุติเนี่ยมันไม่ใช่ยุติแต่เฉพาะเรื่องดังที่กล่าวไปทั้งหมดยังมีข้อยุติเรื่องอื่นๆอีกเช่นเรื่องพรหมวิหารเนี่ยนะเกี่ยวกับพรหมวิหารเกี่ยวกับวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องฌานนนเกี่ยวกับเรื่องฌานท่านก็เลยหาข้อยุติมาให้อย่างในหน้าสามเนี่ยนะกล่าวถึงหาข้อยุติเกี่ยวกับพรหมวิหาร เกี่ยวกับเรื่องพรมิหารนะหาข้อยุติว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรเช่นถ้ามีใครพูดว่าเทศนาว่านะคือคําพูดที่คนพูดอ่ะนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่เทศอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเทศนาว่าหรือมีคนเขาพูดว่าพยาบาทครอบงําจิตแล้วตั้งอยู่แก่ผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาอันนี้ไม่สมควรเนั้นคําพูดนี้ถือว่าเป็นคําพูดที่หลักลอยเป็นคําพูดที่ใช้ไม่ได้อ น, นะยุต เขารก็เป็นคำพูดที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ปกติอยู่ด้วยเมตตาเจริญเมตตาตื่นเช้ามาก็เจริญเมตตาไปจนถึงนอนกว่าจะหลับแต่ว่าโทสะมันไม่เห็นเลิกราเลยโทสะก็เกิดเอาเกิดเ อ, เอาใจนี่ขุนมองตลอดคำพูดนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้มันก็เหมือนกับบอกว่าโหฝนตกบ้านน้าท่วมถึงหลังคาเลยแต่ไฟไหม้บ้านกรนอยู่นั่นแหละ นะคําพูดมันขัดกันอยู่ในตัวนะําพูดอย่างนี้ไม่สมควรแต่ถ้าคำคำพูดที่ว่าพยาบาทย่อมถึงการหายไป ซ, ซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมสมควรคือถ้ามีปกติอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะเมตตาวิหารีเนี่ยยืนก็เจริญเมตตาเดินก็เจริญเมตตานั่งก็เจริญเมตตานอนก็เจริญเมตตาอยู่ด้วยเมตตาตลอดทุกอิริยาบถ ท, ทุกการทุกเวลา พยาบาทเนี่ยลดลงลดลงเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นอันนี้เป็นคำพูดที่สมควรใช้ได้ น, นะแต่ไปบอกว่าโอ้โหนี่นะตื่นมาก็จเจริญเมตตาตลอดแต่งุดงิดทั้งวันเลยนะอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วไม่ใช่เพราะลักษณะของเมตตาเนี่ยคืออะไรคือการน้อมนำเอาประโยชน์เข้าไปให้ผู้อื่นหรือเมตตานี่คือความเป็นมิตรนะ คือถ้าเรามีมีเพื่อนที่เราเราสนิทหรือคนที่เราเคารพเลยจริงๆเนี่ยเรามีความคิดยังไงกับเขาเราเราต้องเป็นคนที่เราเคารพที่สุดเลยนะแม้แต่จะคิดตำหนิเขายัางไม่มีจะคิดเบียดเบียนแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีคิดอย่างอื่นก็ไม่มีคิดเคารพอย่างเดียวคิดบูชาอย่างเดียวอ่ะนะลักษณะนี้อันนี้เป็นพยานอย่างหนึ่งของเมตตาทีนี้คิดยังไงกับคนอื่นๆให้เหมือนกับคนนั้นนี่อย่างหนึ่ง แล้อย่างหนึ่งท่านบอกว่าวันนี้นั่งมานั่งนั่งเครื่องมานะมีโยมคนหนึ่งเป็นฝรั่งเขาให้เขารักลูกของเขามากเลยนะมีลูกน้อยอยู่คนหนึ่งชี้ให้ผู้การดูทุกขสัตริย์แต่ว่าคือคนที่ที่มีลูกน้อยๆ น, นะเขาบอกดูเขามีความสุขกับการเลี้ยงลูกของเขามากเห็นไหมเขามีความสุขกับการเลี้ยงลูกของเขามากถามว่าเขาคิดเบียดเบียนลูกแม้แต่หน่อยหนึ่งไหม ไม่คิดเบียดเบียนบอกว่านั่นเป็นลักษณะของเมตตาก็บอกว่าคนที่เจริญเมตตาคือคิดอย่างนี้กับทุกคนได้คือไม่คิดตําหนิไม่ราคายเครืองทางตานะก็บอกว่าถ้าฟังคนนี้พูดแล้วไม่แหมน่ารักจริงๆอ่ะนะเหมือนกับเห็นลูกอะ่ะเหมือนกับเห็นหน้าลูกตลอดเหมือนเห็นทุกคนเหมือนเห็นหน้าลูกหมดเลยนะเหมือนลูกสุดที่รักคนนั้นนะไม่ใช่ลูกล้างลูกผลาญ น, นะไม่ใช่นึกถึงลูกอย่างนั้นก็ยิ้มไม่ออกเลยละ แต่ว่าหมายถึงรูปแบบเนี้ยที่กําลังน่ารักที่เรียกว่าน้อมคิดไปหาแต่ให้ความสุขเขาอย่างเดียวขอให้เจริญนะลูกนะขอคือเขาเข า, เขาภาวนาในใจตลอดใช่ไหมหวังว่าลูกของเขาเนี่ยเจริญเติบโตมาจะเป็นคนที่เช่นในด้านสุขภาพสุขภาพก็ดีร่างกายดีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดเป็นต้นเนี่ยเขาหวังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใช่ไหมด้วยอํานาจของเมตตาที่มีต่อบุตรเสร็จแล้ว เขาจะไม่คิดเลยว่าเออลูกเขานะเกิดมาเองต้องพิการเองอย่าฉลาดเลยนะให้โง่เง่าเต่าตุนสอบที่ไหนสอบตกหมดเลยนี่ยนะไม่มีพ่อแม่คนไหนคิดอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคิดแต่จองล้างจองผลาญคิดพยาบาทอันนี้ไม่ใช่ปกติอยู่ด้วยเมตตาถ้าใครบอกว่าอยู่ด้วยเมตตาคือเหมือนกับคนที่ที่มีลูกน้อยๆแล้วคิดถึงแต่ความเจริญของเขาอย่างเดียว ถ้าคนรักต้นไม้เนี่ยพอปลูกต้นไม้เนี่ยขอให้แกเฉาตายเร็วๆที่สุดนี่ไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมทัม้งก็หวังอย่างเดียวว่าขอให้ออกดอกขอให้บานขอให้สวยถ้าปลูกผ ล, ลไม้ก็หวังลักษณะนั้นนะอ่ะ น, นั้นลักษณะของเมธถ้าเปรียบนะเปรียบเทียบว่าผู้ที่เจริญเมตตาจริงๆเป็นอย่างนั้นจะอดทนต่อโทษของเขาทั้งหมดด้วยเพราะคำความเป็นมิตรความเป็นเป็นเพื่อนเนี่ยนะคนที่เจริญเมตาก็น้อมจิตเนี่ยไปคิดอย่างนี้ให้บ่อย ให้มากอันนี้ยเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเมตตาในลหลายๆรูปนะแม้แต่ในกรณียาเมตตาสูตรแม้กระทั่งที่อื่นๆก็เหมือนกันในเทระคาถาท่านก็บอกว่าถ้าใครจะมีปกติอยู่ด้วยเมตตาก็เนี่ยเหมือนกับมีบุตรคนเดียวนะที่ตัวเล็กๆกําลังน่ารักเนี่ยหวังแต่ความเจริญให้แก่เขาอย่างเดียวผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้น เมื่อไหร่ที่บอกว่าเห็นรถปาดหน้าของเราปั๊บขอให้มีความสุขนะขอให้ถึงที่หมายได้ดีนะอย่างี้ใช้ได้แล้วนะโหงี้เจ๋งจริงจริอะนะถ้าทําได้พวกการเคยทําอย่างนี้ได้สักครั้งยังขอให้ปาดหน้าเอียดขึ้นมาแล้ยเออขอให้มีความเจริญนะถึงบ้านโดยสวัสดีภาพอย่านะโอ้ถ้าทําได้นะนั่นอะโอ้โหแสดงว่าเมตตาชั้นเยี่ยมเลยนะก็ไปลองฝึกดูกันแล้วกันอนะเนี่ะ คือที่จริงเราเนี่ยนะของก็บอกว่าใครที่เกิดมาในโลกบอกว่าเป็นคนที่ขาดเมตตามาตลอดไม่มีใครเมตตาเลยนะอันที่จริงว่าโดยรวมๆเนี่ยเว้นไว้แต่บาปให้ผลหนักหนาสาหัสแต่ถ้าคนทั่วมาธรรมดาทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่มีเมตากับกับเราก่อนละเนี่ยนะเราเคยได้รับการเลี้ยงดูแบบนั้นมาเนี่ยนะแม่ทั้งหลายเขามีความสุขเป็นต้นในการเลี้ยงดูเราเนี่ยมี คนยอมคนหนึ่งอะนะเขาพูดถึงว่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยเขาบอกว่าเขาตื่นมาลูกตื่นมาดูหน้าลูกแม้กระทั่งดึ ก, ด ก, ดกๆเนี่ยนะลูกเขาไม่รู้หรอกว่าเขากําลังมองดูลูกของเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนนคอยจ้องคอยดูพันทํำยังไงนะเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยเจริญเมตตาได้อย่างนั้นบ้างกับในหมู่สัตว์ทุกเหล่าเขาบอกว่านั่นเป็นตัวอย่างของการเจริญเมตตา มาตายถานิยังปุตังอายุส่าเอกปุตามานุรักเฮเอวัมปีสัพพูเตสสมานาสัมภวเยอปริมานังเนนะในกิริยเมตสูตรอะว่ามานดาธนอมบุตรคลเดียวผู้เกิดในตนแม่ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกลบทผู้ฉลาดในประโยชน์พึงมีเมตามีในใจในสัตว์ทั้งปวงไม่มีประมาณแม่ฉันนั้น กบฏนั้นเพิงมีเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบ น, บนเบื้องต่าเบื้องขวางไม่ขับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูนะแล้วก็ให้เจริญอย่างนี้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ทีนี้ในการเจริญอย่างนี้ก็ต้องหัดฝึกก่อนแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะการสมาทานที่จะประพฤติเมตตาคือการสมาทานประพฤติสุจริตหรือไม่ ตัวเมตตาเนี่ยนะถ้าถ้าคนที่ฝึกเจริญเนี่ยมันจะเจริญได้สามทวารเรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามนโนกรรมทีนี้เมตตากายกรรมก็ยังแบ่งเป็น2คือต่อหน้ากับรับหลังวจีกรรมก็แบ่งเป็น2คือต่อหน้ากับรับหลังมโนมโ น, มนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาก็แบ่งออกเป็นสองคือทั้งต่อหน้าและรับหลังการเจริญเมตตาเนี่ยนะ ก็ต้องสมาทานให้มีเมตตาเพราะว่าการเจริญเมตตาก็คือการสมาทานมโนสุจริตคืออัพยาบาติต้องสมามันมันก็คือสมาทานนั่นแหละปกติเราบอกอย่างที่ยอมเล่าว่าตื่นเช้ามาสมาทานสุจริสาคือในบรรดาสุจริสามเนี่ยกลายเป็น3วจีมี4มโนเอกสเนี่ยนะกายกรรม3วัจีกรรมสมโนกรรม3เนี่ยก็คือสมาทานกุศลกรรมบท10นั่นเอง ในี่ในบรรณากุศลกรรมบท10บเนี่ยข้อที่เกข้อที่9คืออภัยาบาตความไม่พยาบาทก็คือสมท า, านว่าข้าพเจ้าจะประพฤติเมตตาเนี่ยนะทีนี้ทุกคนต้องเป็นอารมณ์ของเมตตาของข้าพเจ้าให้ได้น่าจะเคยคิดแบบนี้นะก็เมตานี้มีสัตว์เป็นอารมณ์อยู่แล้วฉะนั้นสมาทานตั้งใจว่าทุกคนจะเป็นอารมมณปัจจัยแห่งเมตตาของเราให้ได้ อันนี้แหละเรียกว่าสมาทานประพฤติมโนสุดจริตนั่นนะเมื่อไรที่เราคิดบอกว่าทุกคนในกรุงเทพทั้งหมดจะต้องรองรับเมตตาของเราให้ได้อ่านะถ้าทำมากอันนี้นี่อันนี้ท่จริงนะยังยังมีขอบเขตอยู่นะบอกประเทศไทยทั้งหมดจะต้องเป็นอารมณ์ของเมตตาของเราให้ได้อันนี้ก็ยังมีขอบเขตอีก ก็บอกว่าในโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นอารมณ์ของเมตตาของเราให้ได้อันนี้ก็ยังมีขอบเขตอีกก็บอกว่าอัปปมาญญาเลยคันนี้วางขวางไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะมนานัสการถึงสัตว์ที่ใดก็ตามต้องเป็นอารมณปัจจัยแห่งเมตตาแห่งของเราให้ได้อันนี้ถ้าถามว่าดีไหมถ้าเราคิดอย่างนี้ดีถ้าไม่คิดดีไหมไม่ดีอันนะก็บอกว่า ถ้าใครที่กันดานเมตตามากๆนะคนนั้นจะน่าเกลียดน่ากลัวมากเท่านั้นนะความน่าเกลียดน่ากลัวทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายเกิดจากบุคคลนั้นเป็นผู้ที่กันดานเมตตาแห้งแล้งต่อเมตตาทะเลทรายเมตตาเนี่ยนะ ม, นมันขาดเมตตาเอามากๆเลยนะก็น่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ใครก็ไม่อยากพบเช่นสัตว์ที่ที่กลุ่มที่เป็นผลของโทสะชัดๆคือ ง, งู กลมงูทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผลของสัตว์กลุมสัตว์ที่ที่เป็นผลของโทสะชัดๆเลยนะเพราะฉะนั้นงูเนี่ยวิ่งไปที่ไหนคนกลัวหมดเลยเนี่ยนะเว้นไว้แต่ในฟาร์มงูที่ตั้งใจจะไปดูงูจริงๆอันนั้นทำใจไว้แล้วนะแต่ถ้าธรรมดานะฟังธรรมเลยนะมีตัวหนึ่งมาโผล่เข้าเนี่ยนะจะทำยังไงกันนี้ทุกคนโทสะกันเกือบทั้งหมดเลยทันที มันมันใกล้ต่อกันอะ่ะเพราะมันสัตว์งูเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่กรรมกลุ่มโทสะนําเกิดเพราะฉะนั้นเวลางูไปที่ไหนเนี่ยคนก็จะรังเกียจงูเท่านั้นนะนะโทสะก็จะเกิดเพราะอาศัยอาศัยสิ่งนั้นนะนะเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าเราโทสะมากเท่าไหร่นะเราจะเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกจริงๆอ่ะคนอื่นเขากลัวเราจนไม่รู้จะกลัวยังไงแล้วบางอย่างผลประโยชน์มันเกี่ยวข้องกันเหระเขาจรงจรงเขายังมองหน้าเราบ้างก็เพราะ เ, าเรายังพอมีผลประโยชน์ให้เขา แต่ถ้าเรากันดารเมตตาแห่งแรงเมตตาแล้วก็มากไปด้วยโทสะเนี่ยนะที่เขายังคุยกับเราเพราะเหตุผลอย่างนั้นนะอาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างกับเราอยูออ่ถ้ายิ่งคนที่มีอานาจหน่อยนะไปดุคนที่กาลังทาความผิดมาเนี่ยซึ่งซึ่งเขาผิดจงใจหรือไม่จงใจก็ตามปกตินะเขามีโทสะอยู่แล้วคนคนที่ที่ทำความผิดมานะเราถ้าถามว่าทุกคนเนี่ย เคยทำความผิดกับพ่อกับแม่กับอะไรสักอย่างนึ่นนะที่เป็นข้อห้ามใช่หมแล้วเราไปทำความผิดขึ้นเนี่ยถามว่าเรามีความสุขไหมที่จะต้องเจอหน้านะอันนั้นมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งของของคนคนทำความผิดแล้วใช่มแล้วถ้าหากว่าฟ้าจะต้องผ่าลงมาอีกนะโอ้มันจะทุกข์อีกขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนที่สำน ว, นวนว่ามีบุญถึงกับว่ามีอำนาจใหญ่หน่อยนะก็ไอการดุคนที่กำลังมีโทสะอยู่นั่นนะนะจริงๆเขามีเขาทาผิด หลายชั้นด้วยกันนะเขาเขากําลังทําบาปต่อผู้ที่กําลังเป็นเป็นบาปอยู่หนักแล้วเหมือนกับว่าเอาเขาก็มีบ้านที่มันผุมันรั่วพังจะพังนี่พังแหละนะก็ยังไปรื้อเอาบ้านเข้ามาอี ก, ก น, นะถามว่ามันอคนนั้นจะขาดเมตตาสักขนาดไหนทีนี้ถามว่าผลของการขาดเมตตาอันนั้นเนี่ยนะอย่าลืมว่าในโลกเนี่ยนะทําเช่นใดก็จกได้เช่นนั้น ในชาดกก็มีตั้งหลายเรื่องลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่ขาดเมตตาต่อผู้อื่นแล้วให้ทำความในใจเอาไว้เถอะอย่าหวังนะว่าจะมีคนมีเมตตาต่อเราเพราะถ้าเราขาดเมตตาก่บคนอื่นมากเท่าไหร่คนอื่นเขาก็จะขาดเมตตามากกับเราเท่านั้นเคยรู้จักคนที่ไม่ชอบมีเมตตาต่อคนอื่นเลยนะแล้วคนนั้นกลับเป็นบุคคลที่จะไม่มีคนมีเมตตากับเขา แม้กระทั่งเขามาเป็นพระภิกษุก็เหมือนกันเพราะพื้นฐานเขาไม่มีเมตตาต่อบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเขาไปที่ไหนนะจะได้รับการรังเกียจทุกแห่งที่เขาไปเนี่ยนะถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาขาดเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยนะคือเขานี่มันแห้งแล้งต่อเมตตาต่อคนอื่นคือแม้กระทั่งยอมคนก็ยอมไม่เป็นเนี่ยนะแบกเรียกว่าถือรั้นเอาแต่ความเห็นของตัวเนี่ยนะ การถือรั้นเอาแต่ความเห็นของตัวเนี่ยก็จะพูดให้คนอื่นไม่สบายใจพอพูดให้คนอื่นไม่สบายใจนะคนนั้นก็ไม่สบายใจอยู่แล้วแล้วคนหลังๆมานะยิ่งใครที่เอาง่ายๆนะใครขัดคอเรามากๆเราอยากคุยด้วยบ่อยไหมคุยคําก็ขัดคําคุยคําก็ขัดค ำ, คค ำ, ดคำไอ้สิ่งที่เราพูดไปเขาก็บกคอยบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ถามว่าเราจะโปรดปรานคนนั้นเป็นพิเศษไหมโอ้โหนั่นแหละ ใครที่ที่ขาดเมตตานะก็จะเป็นคนที่คอยขัดขวางความสุขคนอื่นทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเพราะฉะนั้นจะเป็นที่รังเกียจของบุคคลอื่นมากเท่านั้นมากเท่านั้น